ต้องขอนอด น, น้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ขอโอกาสจากหลวงพ่อซึ่งเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ขอโ อ, อกาสจาก หมูสงครับอขอจเจริญพรญาติโยมนะก็พอดีหลวงพ่อเขาให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอข้อสังเกตของการที่จ ะ, ะเป็นพทีพิเลี้ยงกนะ็ก่อนอื่นก็จะต้องขอสมาภัยถ้าหากว่าผมพูดอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้อง แล้วก็ข อ, อบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่ได้บอกเจาะจงว่าว่าคนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีหรือเป็นโยมก็ดีนะครับไม่ได้บอกว่าผมว่าคนใดคนหนึ่งโดยตรงโดยเฉพาะเจาะจงครับก็ที่ผม จากการที่หลวงพ่อก็ให้ให้ช่วยเป็นพระบิเลียงใจจริงผมแอวเนี่ยผมก็ยังไม่อยากมาเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าผมเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้สักเท่าไหร่ ก็เห็นว่าถ้าคงเจนเห็นว่าสมควรว่าจะมาก็มาก็จะได้นอกจากจะเป็นผู้เรียงแล้วก็ยังได้สามารถมาปฏิบัติตัวเองนอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาไม่อยากมาก็คืออาตมาท้อใจโยมปฏิบัติในคอร์ดนกะ็ปฏิบัติจริง แต่ว่าพอกลับไปแล้วก็ทิ้งก็ในความคิดเห็นก็คือว่าไม่อยากไม่อยากสอนไม่อยากแนะนำหลองพ่อครับนะทีนี้พ่าหลวงพอ่อนี่ในในส่วนตัวในส่วนอันนี้นะแต่ว่าในส่วนที่ว่าหลวงพ่อก็บอกว่ามันมีประโยชน์ที่ว่าเราจะได้ม า, าพัฒนาตัวเองไปด้วยอันนี้ก็เห็นอยู่อย่างนั้นครับ ก็ ท, ที่ที่มาตรงนี้ก็เห็นว่าอพอดีวันแรกอาอภ า, ภาจารย์กงเกิดก็บอกว่าให้อัตามาช่วยแนะนำวิธีการสร้างจังหวะที่ถูกต้องอัตามาก็ก็แนะนำไปแต่ตอนนั้นก็จะมีแต่แต่ผู้ใหม่เพราะว่าตอนนั้นแยกผู้เก่าออกไปแล้ว ก็พออาตมาแนะนำไปตามความรู้ความสามารถที่มีจากประสบการณ์ที่มีว่าการยกมือสร้างเป็นจังหวะนั้นมันสำคัญเพียงใดกว่าจะมาเข้าใจอาตมาทำมาแล้วสามปีกว่าจึงมาเข้าใจว่ามันสำคัญอย่างยิ่งทีนี้พอสยมผัสไปปฏิบัติส่วนมากก็ถ้าจะเป็นช่วงบ่ายก็าบางทีก็อยู่ใน ที่ที่านกระโดดนะที่ที่ปฏิบัติอยู่นะวันแรกๆก็จะมาอยู่ในอยู่ในห้องข้างล่างนะก็พอเห็นว่าบางบางคนยกมือสร้างจังหวะยังไม่ค่อยถูกก็หาโอกาสไปบอกอันะนี้ก็ขอขอขอโทษอ่าเพราะว่าคุณหลวงพ่อแล้วก็อาจารย์ด้วยว่า ผมทาไปพราะเขาเห็นแนละ้เขาทําไม่ถูกก็ไปบอกว่าให้ยกมือสร้างจังหวะให้มันอย่าให้มันวืดอ่ของไม่ถูกคืออย่าให้มันรูดนะพอเขาทาแล้วเนี่ยมันก็ส่วนมากได้ผลจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเขาเขายกยก ย, กยกไม่ไม่มันวืดอ่ะมันไม่ได้เป็นจังหวะจังหวะเลยนะนะเขาบอกให้ก็ทํา เป็นจังหวะอย่างนี้นะทาเป็นจังหวะนี้นะภายในวันนั้นเองก็ไปสอบถามดูเขาบอกว่าจากคนนี้ไม่เคยทำเลยนะเป็นเด็กหนุ่มเขาบอกว่าอาจารย์ผมเห็นจิตที่มันกําลังเคลื่อนออกไปในขณะที่เห็นรูปมันเคลื่อนไปที่รูปนั้นโอ้ก็ดีใจก็เออก็ดีเหมือนกันนะที่นี้ก็อีกคนหนึ่งก็ อันนี้เขายกมือสร้างจังหวะ ด, ดีอยู่แล้วบาง่า เ, เขาติดในความคิดเขาติดในที่หลวงพ่อพูดที่หลวงประเทศก็ามาถามอาตมาอาตมาก็บอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทศนั่นน่ะนั่นเป็นความรู้ปัญญาของหลวงพ่อหลวงพ่อให้เราเนี่ยมาทำนะไม่ใช่มาทำเพื่จะได้เป็นอย่างนั้น แต่ไม่ได้มาคิดเพื่อเป็นอย่างนั้นบอกเขาไปก็ยังไม่เข้าใจก็ เ, เลยบอกเขาว่าในขณะที่เรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยเป็นเคลื่อนไหวรู้เคลื่อนไหวรู้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันมีความคิดอยู่ตรงนั้นไหมเขาบอกไม่มีเพราะบอกไม่มีอาตมาเขาบอกว่าก็าแสดงว่าความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะขอเรียกความรู้สึกตัวนะ อ่ามันเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันขอเขาก็บอกว่ามันเป็นคนละอันคนละอันเนี่ยถ้าเราไปตามความคิดมันก็เหมือนกับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเรามาความรู้สึกตัวมันก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นสภาวะทำที่เป็นจริงได้อย่างไรเขาบอกเขาอย่างนี้เขาทิ้งความคิดทิ้งคําที่หลวงพ่อเทศทุกคํา ทิ้งไปเลยปรากฏว่าเขาได้มาเห็นว่ากายกำลังเดินอยู่วันแรกวันที่สองเขาบอกว่าได้เห็นเวทนาซึ่งถ้าเขาเข้าไปอยู่ในเวทนาแล้วเขาจะน้ำตาร่วงทีเดียวแต่บัด น, นี้เขาได้ออกมาเป็นผู้ดูเวทนานั้นนี่เขาพูดเองเขา เขาบอกว่าส0มสิบเจ็ดสิบผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้อาจจะดูสามสิบหรืออาจจะดู 70, เจ็ดสิบแล้วมาอยู่ที่คองตวสิบตัวสามสิบนี้ก็ยังไม่ได้ทำนี่ก็ก็ทำให้เกิดความภูมิใจว่าข้าวที่ญาติโยมนำมาเลี้ยงนะอาตมาก็ไม่เสียคือเรียกว่าไม่เสียค่าข้าวที่โยมได้มาเลี้ยงด้วยศรัทธา นะไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวทุกอย่างก็ก็ ก, ก็อีกบางบางคนก็แนะนําได้บางคนก็แนะนํ า, นานนไม่ได้แต่เพียงแต่บอกเขาว่าจะให้แนะนำไหมถ้าเขาบอกไม่ก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไปเพราะว่านี่คือเขาเขาไม่ไม่ต้องการให้เราแนะนำํำเราก็ไม่ยอมไปแนะนำํำนี่อีกคนหนึ่งเขาก็ทําที่แรกก็ทําดี พอทําทีหลังมันรัศจมันจะวืดมันจะมันจะรูดจะเรียกว่าอะไเรียกว่าไงครเกี่ยวมันรูดอ่ะมันมันเฟืองมันรูดอะนะมันปื๊ดปื๊ดปื๊เนี่ยบอกว่าโยมทําให้มันเป็นจังหวะนะสภาวะทำที่เรามองเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันจะชัดขึ้นมันจะเร็วขึ้นมันจะก้าวหน้าขึ้นเขาก็ลองไปทําดูอย่างที่พูดพอเขาทําเสร็จแล้วเขาก็ดีใจตอนเย็นก็มาเล่าให้ฟังบอกว่า เขาได้ได้ยินเสียงสัต์แต่ว่ามันเป็นเสียงแล้วจริงๆไม่ใช่เสียงด้วยมันไม่ใช่เสียงเขาว่างั้นนะมันไม่มีสัก์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในเสียงนั้นเขาพูดอย่างนี้แล้วผมก็เลยบอกว่านี่คืออาการประมัดทาให้มันมากโยมนเนี่ยทาเหมือนกับว่าพื้นดินเนี่ยคือมันเต็มแล้ว ทีนี้มันเหลือแต่ว่ามันจะงอกขึ้นมาจากพื้นดินนี่คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราจะต้องทําในชีวิตประจำวันที่หลงอาจารย์คมเก็ดว่าให้ฟังคือคือการที่เราจะต้องในชีวิตประจําวันคือจะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมไอ้สิ่งเหล่านั้นก็คือภาวะธรรมที่เราปฏิบัติมาแต่รเร็วมากนะครับที่เรามาปฏิบัติมามันอยู่ในพื้นดินคือเราทําในพื้นดินให้เต็มแล้วทีนี้อ ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ต้นไม้เนี่มันก็ต้องโผล่งอกขึ้นมาบนดินคือว่าต้องให้มารู้สึกตัวในชีวิตประจําวันบอกเข้าไปอย่างนั้นอย่าอยู่แค่นั้นนะก็ก็ก็เล่าให้ฟังนะที่นี้อ่าก็เราทัศที่จะจำได้นะครับนี่ก็เรื่องของของการคุกครี อาจจะมาเคยไปปฏิบัติสายหนอกับโยมแม่สิริกระดินชัยเจ็ดวันแต่ว่าระบบเขาก็ดีนะก็คือว่าเา้านอนรวมกันก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่คุกคีกันเพราะว่าการคุกคีกันเนี่ยจะทําให้การเห็นสภาวะธรรมหรือความก้าวหน้าเนี่ยจากที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะก้าวหน้ากว่านี้มันจะก้าวหน้ากว่านี้เพราะมันต่อเนื่องมันจะเป็นลูกโซ่อย่างที่หลวงพ่อเทียนเขาพูด น, นี่นี่คือสิ่งที่อาตมาก็เห็นด้วยกับอาจารย์คมกฤินะครับคือว่าทําระบบอะไรก็ได้ที่ไม่ให้โยมเขาคุยกันจะคุยกันได้แต่เพียงที่มันจําเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รเราไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไงแต่รู้ว่าถ้าทําแล้วเนี่ยสิ่งที่โยมได้รับอยู่เวลานี้เนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกมากงนะก็บุพูดได้แค่นี้แล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของที่สังเกตนะที่สังเกตเฉยๆไม่รู้ว่านี่ความคิดเห็นเฉยๆโยมที่มาที่นี่เนี่ยเีกว่าต้นทุนสูงคือว่าต้องต้องอ่าที่เป็นสาเหตุที่อาตจะมาเข้าใจว่าทําไมโยมมาปฏิบัติจึงตั้งใจปฏิบัติแล้วว่าปฏิบัติแล้วได้ผลอะไรอย่างนี้นะก็ก็บอกว่าอ่อาไอ้ส่วนส่วนนั้นก็ยังไม่รู้เรามีค่าใช้ใจ่าย คือหนึ่งสองพันเจ็ดคืนหมื่นสี่และนี่บางคนนะะ บ, บางคนโดยประมาณประมาณก็เล ย, เยก็เทียบเคียงไปว่าถ้าหลวงพอ่ออาจารย์หลวงพ่อาอาจารย์เราเนี่ยหลวงพอ่อหลวงพ่อมาที่เลยก็ท่านท่านไปไปเที่ยอเมริกาเนี่ยก็ได้ยินเมื่อว่ามือ น, เ ห, อนเหมือนกันก็คือว่าที่นั่นมันค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะจัดจัดคอร์สสักคอร์สหนึ่งเนี่ยคือคนที่มาร่วมก็จะต้องจ่ายเงินเหมือนกัน ที่เรคิดว่าเอ้อ ก, การที่เราจะต้องอจ่ายออกไปซึ่งรวมกันกับอย่างอื่นด้วยนะคือเราจะต้องละทิง้งครอบครัวการงานลูกหลานหรือ ส, สมบัติอะไรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ส่วนหนึงหน่งคือลงทุนสูงก็เลยทําให้อัตมาเห็นว่ า, าคนทั้งหมดเนี้ยที่มาเนี้ยจึงทําอย่างตั้งใจทํา ไม่ทำแบบเลาะแหละมาแล้วเพราะว่าลงทุนสูงก็เลยทำจริงจังก็เลยได้เห็นผลคือได้ยินหลวงพ่อก็บอกว่าทำวันแรกแล้วไปสอบอารมณ์ ก, ก็ปรากฏว่าผ่านอารมณ์กันทุกคนเลยก็หน่าอนุโมทนาก็ในส่วนอื่นๆก็เห็นเห็นการทำงานของหลวงพ่อว่า หลงพ่อจะคอยปรับอยู่ตลอดเวลาทุกวันปรับอยู่ตามปัจจุบันนิธรรมจริงๆเดี๋ยบางนีก็เข้าห้องบ้างห้อ ง, งล่างนะ เ, เดินข้างนอกบ้างไปที่ลานปะดูบ้างไปที่นู่นที่นี่ไป ก, ก, ก็ดูศึกษาเอาไว้รู้ไว้เท่าที่เราจะจำได้นะก็เพื่อจะได้ช่วยหลพ่อได้บ้างในในใน ในความสามารถที่มีแต่ว่าถ้าจะให้ไปสอนไปอะไรก็คงจะยังไม่เพราะว่าอาตมาคิดว่าอาตมาเนี่ยยังว่ายน้ำไม่เป็นอาณนนาจะไปสอนให้คนอื่นให้ว่ายน้ำเป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เพรา ะ, ะนั้นอาตมาก็เลยต้องปริบัติอย่างเดียวใจจริงแล้วก็อย่าปฏิบัติอย่างเดียว้จจยยาป ฏ, ฏิบัติอยู่ที่ว่าแค่แสงเทียนมา 4นะี่พรรษาแล้วถ้านับเป็นปีก็สาปีกว่าก็เชื่อฟังครูอาจารย์ทุกอย่างแต่บางครั้งที่ไม่ได้อยู่ในวัดแค่เสงเทียนเพราะว่าอาจารย์สั่งบอกว่าไม่ให้อยู่ให้ออกไปเมื่อนนี้ให้กลับมาบางครั้งก็มีมีการไปเดินทุต ด, ดงกันแล้วก็ไปเก็บอารมณ์มันสองสองช่วงเก็ตามที่หลวงพ่อเคยเคยทำเป็นแนวไว้ก็คือ ช่วงก่อนเขา้าพษาก็จะพระเราเนี่ยที่ที่ไปอยู่เป็นเจ้าสํานักต่างในที่ต่างๆในในในส่วนมากก็จะเป็นสายงานของหลวงพ่อที่เคยไปทไว้ก็จะจะดูแลแต่ญาติอยู่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติจริงๆก็เลยมีความคิดความเห็นรวมกันในทีน้าสง์ว่าจะต้องเอ่อรวมกันปฏิบัติสักปีละครั้งหรือสองครั้งก็ ช่วงก่อนเข้าพรรษาก็จะเป็นพระเก่าพระที่ถ้าไม่เก่าก็จะต้องเป็นพระที่ครูบาอาจารย์ท่านรับรองแล้วว่านี่เข้ามาทําจริงเนแล้วส่วนหลัง อ, ออกพรรษาแล้วก็ก็จะมีเป็นพระใหม่บางส่วนมีการเดินทุดดงประมาณสิวันแล้วก็มาเก็บอารมณ์อีกประมาณ20สิวันเพื่อสงเคราะห์พระใหม่ซึ่งกําลังจะสึก ซึ่งก็ได้ผลดีตรงที่ว่าพระใหม่ที่ ท, ที่ที่ตั้งใจว่าจะศึกเนี่ยพอไปได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันได้ไปเดินทุ ด, ดงได้ไปเห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของของพระซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนมากประโยชนอยู่ในวัดก็จะเป็นาชาวเองเพล น, นอนอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นก็ไปเห็นเข้าก็มีความรู้สึกว่า ในพุทธศาสนายังมีอะไรอีกมากที่เขายังไม่ได้เรียนเรียนรู้นะส่วนในด้านของครูบาอาจารย์ที่ไปก็มีภาพใหม่เาก็มีความศรัทธาแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเช่นเขามีงานเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจำปีก็มีคนไปช่วยกันมากซึ่งแต่ก่อนก็ได้ไปกันประมาณน้อยยี่สิบันใจครับครับดีครับก็ <laughs> ส่วนเรื่องเรื่องเรื่องอื่นๆนี้ก็ก็มีความปรารถนาว่าก็อยากให้ให้ญาติโยมเนี่ยยกมือสร้างจังหวะ น, นี้ให้มันเป็นจังหวะในความที่ความรู้ความสามารถที่ผมเข้าใจเพราะว่ามันมันจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเลยเออขอขอขอขอ อ, อ, อีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็พอดีโยมไปบ อ, ก, อกคุยกับโยมโยมบอกว่าโยมจะรู้เฉพาะ สองจังหวะคือกระทบแล้วรู้นะแต่รีว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อเทียนให้รู้สิบสี่จังหวะสิบสี่รู้เมื่อรู้สองรู้หรือสี่รู้หรือหรือหรือเท่าไหร่ที่มันไม่ครบสิบสี่รู้นะมันก็จะหายไปสองรู้สี่รู้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตแแตไ อ, ไ อ, ไอก็ก็ไม่รู้ทีแล้วก็เข้าใจว่าคงจะรู้มั้งพอไปสอบเอ๊ะมันไม่ให้นี่เขาก็ทบแล้วรู้เท่านั้นพอ แต่พอเขาขึ้นมาพอลุกยกขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่รู้หละจังหวะนี้เขาจะไม่รู้ละเอ อ, เ อ, อได้ไ ด, ไ ด, ได้มีประสบการณ์คือไม่เคยรู้ทุกจังหวะที่สิบสี่จังหวะนั่นน่ะนะทีนี้โอกาสรู้น้อยเนี่ยโอกาสที่จะเห็นสภาวะธรรมได้มากเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าโอกาสที่จะก้าวหน้าอย่างเต็มที่มันก็เป็นไ ป, นปนไม่ได้นะนี่ก็ผมก็ออบอกเขาฝากนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่าออกจากที่นี่ไปเนี่ย สิ่งที่อาตมาเนี่ยนะอยากจ ะ, ะแนะนำก็คือว่าเรายังมีสติไม่เพียงพอที่จะรู้ความรู้สึกตัวนอกรูปแบบหรือว่าในชีวิตประจาวันก็จริงแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราทำได้ก็คือต้องตั้งใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าเราออกไปเนี่ยในชีวิตประจาวันเนี่ยเราจะทำให้ได้ นะเราจะทําให้ได้นะที่ที่ครูบาอาจารย์ก็สอนนะก็พลิบตาอ้าปากกลือน้ําลายเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยอะไรอย่างเนี้นะไอความตั้งใจเนี่ยมันสําคัญกว่าการที่เราจะเจริญสติในความคิดเห็นของอาต ม, มาเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจแล้วไอตัวการเจริญสติมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นได้เลย นะแล้วถ้าเราไม่ตั้งใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอออกไปข้างนอกกิเลสกิเลสมันข้างนอกมันมากมันก็จะทับผมให้เราความตั้งใจตรงนี้มันจะไม่มีจึงจะขอให้ตั้งใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าออกไปเนี่ยเราจะพยายามทําในชีวิตประจําวันเนี่ยพยายามรู้กายรู้ใจให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าทิ้งอย่าทิ้งการการทําทในรูปแบบเพราะว่า การทําในรูปแบบเนี่ยมันจะทําให้เราตอกหลักแน่นขึ้นคือรู้รู้รู้เพื่อจะให้ตัวรู้ตัวนี้เนี่ยนะมันมั่นคงมันจําได้จิตมันจําได้ว่ารู้รู้รู้มันรู้เป็นจังหวะจังหวะรู้เป็นจุดเป็นจุดจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเป็นขณะขณะอะไรก็แล้วแต่พอมันมันเข้มแข็งมั่นคงจําได้ไม่ลืมในชีวิตประจําวันมันก็เหมือนกัน การกับพทิ์ตาก็รู้มันเป็นจังหวะเหมือนกันการเกลือ น, น้ํำลายก็รู้การเหลียวซ้ายแหลกขวามันเป็นจุดทั้งนั้นมันเป็นจังหวะทั้งนั้นเลยใช่ไหมลองลองคิดดูสิแล้วจมาถึงว่ายามว่าทําไมจะต้องทําให้เป็นจังหวะพรพรเขา<อ><อ><อ>เห็นนี้นะมันสำคัครับคุณเวลาครับครับ ครับพอดีทานมันหมดก็ตอนทายนี้ก็ข อ, อให้ญาติโยมนะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะได้ตั้งใจทรมันสำคัญตรงตรงตอนตั้งใจนะจึงได้เห็นได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันาชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ